การบรรยายหลักสูตรครูสมาธิโดยพระเทพเจติยาจารย์พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินโรตอนวิธีการเรื่องอาการกริยาแดนก็ออกมา <c oughs> หรือว่าคนกําลังชอบคนกําลังรักอาการยินแย้มก็ออกมา <c oughs> อาการกริยาเหล่านี้ ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มาทำสมาธิเพราะว่าผู้มาทำสมาธินี่อาการกิริยาต่างๆเป็นต้นว่าความเมื่อยความปวดหรือว่าความคันหรือว่าถึงอะไรต่างๆนี่มันจะขยู่ขยิกออกมา <c oughs> การที่มันแสดงอาการกิริยาออกมานั้นแสดงว่า เวลานี้เรากําลังต่อสู้เพราะว่าการต่อสู้ในระหว่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ทําสมาธินั้นสิ่งที่จะมาต่อสู้เราก็คือการกระทบกระเทือนภายในเพราะว่าเรากําลังคิดเรากําลังนึกเรากําลัง ่มีความต้องการสารพัดในขณะนั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะให้มันสงบจะให้มันหยุดปฏิกิริยานี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนทีนี้ปฏิกิริยานี้่ถ้าเรียกตามภาษาพระเขาก็เรียกกวามมนมานอาจจะเป็นขันธมาน ขันธามันขันธ์ถ้คือร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่ารูปประขันเขาเรียกว่าขันธมานทีนี้เราลองทบทวนไปถึงพุท ธ, ธประวัติพุท ธ, ธประวัตินั้นเราจะเห็นเวลาที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ทายใต้ต้นโพจะมีพวกมาน มาเ อ, อประจนเรีอกว่ามานประจนแต่คันธารจนาจารย์หรือว่าผู้ที่แต่งแต่งเท พ, พนิยายบ้าแต่งนิยายบ้าแต่งนิทานบ้าความเหตุขเขาแต่งขึ้นนั้นการแต่งขึ้นของเขาด้วยการมีความหมายการมีความหมายนั้น อย่างเทพระยามานเข้ามาประจนพระพุทธเจ้าพระยาแมนเข้ามาประจนพระพุทธเจ้านั้นเราก็เห็นเขาจะเปียนไว้หน้าแดงหน้าดําหน้าเขียวต ล, ลอดจนกระทั่งขึ้นขีด้างมีหอกมีเหลาอันนี้เข้ามาเพื่อจะมาทํำลายทําลายพระพุทธเจ้า ขยาทช้างก็ใหญ่โตมาโหฬารตลอดจังะทั่งพวกมารทั้งหลายที่แสดงตัวอาการซิลึกน่ากลัวเข้ามาประจลพระพุทธเจ้านั้นนั่นคือคันธหารจนาจารย์เขาได้รัจนาไว้อย่างนั้นแต่ว่าการที่คนจะ ไปเชื่อว่าพญามารมีจริงไหมทําไมมีรูปมีร่างอย่างนี้การเชื่อนั้นเธอต้องใช้ปัญญาคําที่ว่าใช้ปัญญานั้นหมายความว่าอย่างที่เราจะรับประทานกินก็นแล้วกันเวลานี้รูกศิษย์กับอาจารย์ก็เป็นอันหนึ่องอันเดียวกันแล้วเราก็พูดสัตธรรมดาว่า เมื่อเราจะกินทุเรียนเรากินทั้งเปลือกไม่ได้เราต้องปอกเปลือกก่อนใครขืนกินทุเรียนทั้งเปลือกก็จะคิดว่าทุเรียนนี้ทําไมมันไม่อร่อยเหมือนกันครับญี่ปุ่นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองมันมาแอกินมังคุดมันก็กินทั้งเปลือกเพราะมังคุดที่ไม่อร่อย่วา่าเอ๊ แต่ว่าถ้าสลาดก็แกะเปลือกออกเพี่กินข้างในที่ี้หันมาพูดถึงเรื่องพอพยามารประจนพระพุทธเจ้าทั้งหน้าแดงหน้าเขียวหน้าขาวหน้าเหลืองหรือพยามารพุ่งหอกหรื อ, อเป็นฝนกรดก็มาตกใส่อันนี้คือเป็นปุคลาที่ผ่านเรียกว่าเขียน ให้รู้ว่าในตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเจ็บกำลังปวดร่างกายกำลังทันสารพัดเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้านั้นเลิกจากการนั่งสมาธิความเจ็บความปวดเหล่านี้ก็แสดงออกมาเขียนเป็นภาพให้ปรากฏยกตัอย่างเช่นเมื่อ พระพุทธเจ้าจะชนะนั้นมีนางธรณีอยู่ภายใต้ฐานของพระพุทธเจ้าแล้วนางธรณีก็รีดมวยผมออกมาพอรีดมวยผมออกมาก็เป็นน้ํามารพวกนี้จะตายหมดเรียบร้อยพอน้ำพวมอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่านางธรณีในขณะนั้น ใจของพระพุทธเจ้านั้นน่ะเหมือนกับธรณีคือแผ่นดินเดี่ยวก็ไม่หวั่นไหวน้ำที่ออกจากมวยผมนางธรณีนั้นคือน้ำใจที่พระพุทธเจ้ามีความกล้าหาญสามารถที่จะทลายพวกมารด้วยความเียบความปวดความเมื่อยความเหมนืห่อยความหิวความคันความสารพัดที่มันเกิดขึ้นนี่คืออาการกิริยา ที่เกิดขึ้นจมมากผู้ทำสมาธิทําไมเราสิ่งจําเป็นที่จะต้องทรและจําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นทางผ่านใครจะไม่ผ่านทางนี้ไปไม่ได้ผู้ที่จะมาทําสมาธิทุกคนต้องต่อสู้อันนี้เป็นอันดับแรกเดี๋ยวก็จะอายเดียเด๋ยวก็จะจามไปเดี๋ยวก็กระจุกไปเดี๋ยวก็กระจิกอะไรสารพัด สิงเหล่านี้ต้องมีน้ำใจเอือใจของเราเนี่ยเหมือนต้องทำเหมือนแผ่นดินจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่เกาจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเสื่อนไหวอันนี้หมายความว่าอาการสิดิยาเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงถือว่าเป็นหลักสูตรข้อที่สองหมายถึงการนั่งสมาธิ นั่งสมาธิก็เรียกว่าขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักอาการนั่งตรงตัวให้ตรงพอดีอย่าแกรง็งอย่าฝืนยืดตัวจนเกรง็งไม่ถูกต้องมือเออทับมือควรมีผ้ารองเพื่อแมเพื่อให้เลือดลมเดินสะดวกอย่ากดด้วยความเกรง็ง อาจจะมีที่จริงหลังเนื่องจากกระดูกสันหลังไม่ดีก็ยอมได้การหลับตาเป็นสิ่งจาเป็นถ้าลืมตาก็าจะมองเห็นสิ่งต่างๆทำให้เกิดอารมณ์ได้บางครั้งอาจจะใช้ยับบ้างก็เกิดความไม่พอดีในขณะนั่งแรกๆก็ยอมทำได้แต่ถ้าอดทนโตอดทนเอาไว้ถ้าจะใช้ยับบ่อยๆจิตจัน ก, ก็เลยถอนกลับเทีย บางครั้งอาจจะกบหรือเอียงในทางใดทางหนึ่งในขณะที่จิตมันจะสงบอยู่แล้วเอียงก็ปล่อยให้เอียงไปบางคนเอียงนี่นัน่งเมื่อไหร่ก็เอียงเมื่อนั้นกันกระทั่งขอเอียงเอาจริงๆอย่างหลวงปู่แหวนอย่างเนี้แท่งกานั่งแล้วก็ขอก็เอียงเพราะว่าจิตมันสงบแล้วเอียงก็ไม่รู้เรื่องอาการนั้นมีสองอย่าง ภายในภายนอกอาการภายในนี้เป็นอาการพื้นฐานจำเป็นต้องสร้างเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมข้อนี้ก็เปรียบเหมือนกับเครื่องมือเช่นเครื่องมือทำกับขาวเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมือแพะเครื่องมือแกะสลักเครื่องมือเหล่านี้นั้นถ้าหากว่าจะใช้ให้มันเป็นเขาต้องมีการเรียนใช้เครื่องมือเหล่านี้ สองปีสี่กว่า ท, ท, ที่เขาจะาทําหมายความว่าอย่างนาแพทย์อย่างนี้กว่าจะใช้เครื่องมือผ่าตัดเป็นแล้วก็ต้องเรียนกันเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ที่เราจะเกิดความชานาญเราไม่ใช่นั่งสมาธิวันเดียวหรือสองวันเดือนเดียวหรือสองเดือนแล้วเกิดความชานาญสิงเหล่านี้ต้องอาศัยความ แํานานในตัวของผู้นั้นดังนั้นการทำสมาธิก็ต้องทราบถึงอาการจิติยาที่อาจจะขยับซ้ายหรือขยับขวาหรือแบบนั่งเก้าอี้หรือนั่งหัดสมาธิการเดินก็ต้องมีความรู้ในตนเองว่าจะก้าวสั้นแค่ไหนจะก้าวยาวแค่ไหนหรือว่าอันไหนมันถึงจะพอเหมาะพอดสสีสิ่งเหล่าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือ เรื่องมือที่เราจะต้องต่อสู้กับพวกกิเลสว่าจะง่ายๆการทำสมาธิในที่ชุมชนหรือการขวดอ้างเป็นการไม่สมควรอย่างที่พระองค์หนึ่งพอเห็นรถไฟวิ่งผ่านก็ออกมานั่งสมาธิพอรถไฟวิ่งพ้นก็ล้แทนนี้เรียกว่าอ้างอีก การนั่งสมาธิรวมกันเป็นผลอย่างหนึ่งเรียกว่าอัญญามัญยังอัญญามัญยังแปลว่าอาศัยซึ่งกันและกันอย่างคนที่มานั่งสมาธิเป็นจำนวนมากบางคนคิดว่าการนั่งสมาธิในคนเป็นจำนวนมากนี้ไม่ดีคือนั่งคนเดียวไม่ได้ในจริงการนั่งสมาธิที่รวมกันมากมากนั้น ใจของคนเราเนี่ยในเมื่อเรามีจุดประสงค์อันเดียวกันเมื่อเกิดจุดประสงค์อันเดียวกันแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นพลังชนิดหนึ่งอย่างคนเทศเดินขบวนหรือว่าต้องการอย่างนี้ในความต้องการอันเดียวกันมันกลายเป็นเรียกว่าพลังหรือเรียกว่ากระแสเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามานั่งสมาธิ นั่งสมาธิรวมกันอย่างนี้ถือ ว, ว่าเรามีจุดประสงค์นันเดียวกันจุดประสงค์อันเดียวกันคือมานั่งสมาธินะที่นครคำหลวงพ่อเป็นผู้นำนั่งสมาธิและเรียกว่าจุดเดียวทุกคนในท่นนี้จะเป็น400กะตาม500ก็ตามเรียกว่า400หัวใจ500หัวใจ และหั ว, วใจทั้งหมดเหล่านี้ได้ไปรวมเป็นอันเดียวกันหมายความว่าต้องการสมาธิเพราะฉะนั้นเอกภาพอันนี้เราเรีย ก, กว่าพลังชนิดเนี่ยที่จะอาศัยช่วยซึงกันละกันได้การทำสมาธิส่วนตัวโดยเฉพาะอันนี้เป็นลักษณะผู้ที่มีหลักทางใจควบคุมตนเองได้มีศรัทธา เห็นคุณเห็นประโยชน์อันนี้เราไปทําด้วยตนเองการไปทำด้วยตนเองนั้นเรามีหวัวใจเดียวแล้วก็เราได้ฝึกหัดมาแล้วและเราได้รู้จักทางแล้วอันนี้ก็ไม่มีไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเมื่อนั่งคนเดียวมันสบายเราก็สามารถนั่งไปได้หลายชั่วโมงอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> เพราะฉะนั้น อาการกิริยาที่ในการศึกษานั้นจึงเข้าใจว่าที่เราศึกษาอาการกิริยาเนี่นะเป็นส่วนประกอบการวางท่วงภาคิิยาในที่สาธารณนะจึงไม่ควรทำให้ผิดปกติเพราะจะทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเรากำลังจะทำอะไรหรือเป็นตัวตลกแตนะ่ในเวลาอื่นๆนะ เราต้องการอยากจะสะสมสมาธิเราก็สามารถนึกพุโทโธได้อย่างไรก็ตามเรารู้เองภายในเป็นเรื่องสำคัญไม่ต้องแสดงอาการออกมาภายนอกแม้จะมีการแสดงออกมาบ้างก็ไม่เป็นไรในเมื่อเจตนาไม่ได้อวดอ้างใครอยู่ในใจของเราเช่นอย่างเราอยู่ในบ้านอาจจะมีสามีภรรยา อาจจะมีลูกหลานอะไรเหล่านี้เราก็หาโอกาสที่เขานอนหลับให้หมดก่อนหรือว่าโอกาสที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิแล้วพวกรูกๆก็ไปควนเอะพอควนโมโห ข, ขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาดา่าอย่างนี้ผิดอันนี้ผิดแล้วอันนี้เรียกว่าสมาธิแตก เพราะฉะนั้น อ, อก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราต้องทําในเวลาอันควรการนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายหรือมือขวาทับมือซ้ายต้องการให้ตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิอย่างจริงจังเพราะว่าเป็นหลักการเ อ, อ ท, ทําไมถึงเรียกว่าเป็นหลักการที่พระพุทธองค์ได้ทรงเลือกวิธีนี้ขึ้นมา เพราะว่าเป็นลักษณะที่องอาจกล้าหาสนสง่างามไม่เป็นกิริยาที่น่าเกลียดน่าชังสมควรที่จะเป็นท่วงท่วงท่าที่จะรับทัดทิทยใจต่อค่าศึกษาอิเลสและเป็นมา ก, การกิริยาที่ไม่ทําลายสุขภาพนะอยู่ในลักษณะเลือกลมที่เดินได้สะดวกเพราะฉะนั้นบางครั้งเป็นได้มีการ นั่งกันเป็นเวลานานห <c> ร <oughs> ือว่าทางเร็วเกินไป <c oughs> <c oughs> อ่ะหลักการเช่นนี้คือการดําเนินงานเกี่ยวกับสมาธิอย่างถาวรถ้าทําได้ทุกเวลาเป็นวิธีการอันเป็นเรียกว่าต้นฉบับอย่างไรก็ตามแม้อาการกิริยานี้จะเป็นหลักเมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เป็นไร มือขวาหงายจะเคลื่อนไปวางอยู่ที่อื่นบ้างหรือว่าหงายไม่ดีก็ความซ่าอันนี้ไม่ว่ากันหรือจะวางท่าใดหรือว่าเราจะนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้แล้วเราก็ย่อนขานั่งสมาธิมันสบายหรือว่าเราต้องทราบว่าจุดมุ่งหมายของสมาธินั้นอยู่ที่ใจ ร่างกายนี่เป็นส่วนประกอบเมื่อใจของเราสงบ้วยการนั่งเคาอีนก็ไม่มีปัญหาหรือว่าใจมันจะสงบโดวยวิธีการนั่งแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ยังมีเรื่องที่จะต้องเพิ่มเติมว่าอาการกิริยานี่เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิอย่างไรก็ตามเราควรทราบก่อนว่าสมาธินั่งเกี่ยวข้องกับ กิริยาอย่างไรเนี่ยเ ร, เราทราบแล้วทีนี้จะมีการอธิบายถึง เ, เรื่องจิตเรื่องจิตที่กำลังไปอ า, อาการกิริยาต่างๆเนี่ยมันจะมีกิริอาการกิริยาอย่างหนึ่งอาการกิริยาที่จะพูดในที่นี้คือกิริยาของอุปทาน วิทยาของอุปทานนั้นมันจะพอเวลานั่งสมาธิเข้าผวางพอเข้าผวางไปแล้วเนี่ยมันก็จะสั่นผีเผ่าแล้วก็มาเข้าใจว่าแทบว่ามีศาสตร์บ้าเจ้าพอ่อบ้างวิญญาณบ้างมีความเชื่อด้วยความประสงค์ต้องการจะให้ช่วยเหลือนานาประการทีนี้คนเข้าใจผิดเรื่องว่าแทบจริงๆ ปีศาจจริงๆเจ้าพ่อจริงๆก็เลยไปหาแล้วก็ไปเก็ไปดูชะตาบ้างไปดูคู่บ้างรักษาโรคภัยบ้างดูนาคบ้างดูหน้าที่การงานบ้างดูท้าขายให้มีโชคมีร า, ากบ้าง อ, อากา ร, ราที่ิยาเจีอบบังเกิดขึ้นแบบผีเจ้าเข้าถึงนั้นจะบอกให้ทราบว่าเราเนี่ย พอเวลาทําสมาธิเนี่ยมันจะมีทางผ่านอยู่อันนึ่งที่เราจะต้องหนีไม่พ้นก็คือผวังผ <c oughs> วังนั่นคืออะไรอย่างเรานอนหลับเนี่ยน้าละจิตมันเข้าผวังไปแล้วแต่เวลาเราทําสมาธิเนี่ยจิตมันก็จะเข้าผวังอย่างที่เรานอนหลับเหมือนกันแต่มันเข้าผวังเวลาที่เออเรานอนหลับนั่น น, นั่นเรียกว่าธรรมชาติของผวังที่คนจะต้องเป็นอยู่แต่ส่วนว่าเรามาทำสมาธิแล้วเราเข้าผวังนี่มันเป็นผวังที่สร้างขึ้นทีนี้ในผวังเนี่ยเหมือนกับประตูแล้วก็เลยจะพูดไปตามตัวหนังสือเลยว่าการสอนสมาธิต้องการความละเอียดโดยหาการชิ้ยาต่ตางๆนั้น เป็นประการสำคัญประการหนึ่งถ้าจับทางกิริยาอาการจิดจะเกิดความวิตกิตริขึ้นมาได้เพราะการแสดงอาการอย่างนั้นเหมือนกับผีเจ้าเข้าถึงเนื่องจากกิริยาจิตในขณะเข้าพาวางังตนของตอนนจาคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะแสดงเหมือนกับมีอิทธิเทธิปาฏิหาร แล้วก็หลงไปตามอาการชิ้ิยาเหล่านั้นแท้ที่จริงคือผวังจิตนาที่นี้มันเป็นเพียงอาการชี้ิยาของบุคคลผู้ขาดสติเท่านั้นตรงนี้ต้องทําความเข้าใจในความเป็นจริงว่าเราทําสมาธิเวลานี้จุดประสงค์คืออะไรเมื่อเราทราบจุดประสงค์แล้วเราต้องทําตามถึงจะบรรลุจุดประสงค์ ไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดอะไรต่างๆในขณะจิตไม่มีสติแล้วก็ถือเป็นจริงเป็นจังก็จะไม่ถูกจุดประสงค์เพราะว่าคืออาการจิตวิยามีทั้งธรรมดาและรอดผลเพราะการทำสมาธินั้นคือการทำจิตจาเป็นต้องผ่านพาวังเราไม่สามารถที่จะหลีเลี่ยนได้แมอเป็นเช่นนี้ก็ต้องอย่าไปหลงเข้าใจผิต ในเรื่องของผวังเพราะผวังนั้นเบียงเป็นทางผ่านเราหลงในทางผวังเราจะไปไม่ถึงไหนอย่างไรก็ตามทางผ่านนั้นจะมีสิ่งแปลกๆต่างๆตางจากความเป็นปกติในความเป็นปกติในความเป็นปกตินั้นคือเราเราท่านๆเห็นอยู่มีความรู้สึกนึกคิดแบบปกติธรรมดาไม่มีอะไร เมื่อเกิดภวังปิติปกจะติขึ้นจึงมีทั้งคุณและมีทั้งโทษการที่จะเป็นคุณนั้นคือ ท, ทำให้เกิดความํานานคร่องตัวโดยที่จะเอาภวังนั้นเป็นดุจประตูแต่ว่าต้องรู้ว่าประตูจะเข้าไปข้างในเพื่ออะไรเพื่อเกิดความํำนานในการเข้าออกก็พอแล้วที่มีโทอเพราะเราไปหลงว่า ประตูคือ ท, ที่ที่ดีที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะภาวะกังวลตรงประตูนั้นแม้ประตูจะวิบวิษิสดานเท่าไรมันคือประตูเพราะฉะนั้นที่อธิบายในวันนี้นั้นต้องการให้ทราบถึงว่าาการกิริยาเนี่ยมีอยู่สองประการาการกิริยาภายนอก อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วเนี่ยว่านั่งยังไงมันเจ็บยังไงมันปวดยังไงมันเป็นอะไรเราจะต้องผ่านมันไปยังไงนี่เขาเรียกว่ากิริยาการภายนอกกิริยาการภายในนั้นแต่คือการเข้าไปถึงผวังแล้วมันก็ไปเกิดอาการกิริยาเหมือนผีเจ้าเข้าถึงหรือว่าเหมือนอะไรก็ได้เพราะเวลานั้นมันขาดสติไปแล้ว มันก็ทำท่าทำทางเพราะว่าการทำท่าทำทางเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากปุปทานที่เคยได้ยึดเอาไว้เ่าแล้วมันจะแสดงออกในเวลาที่จิตใจเขาวังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะศึกษาให้เข้าใจข้อแท็จริงของเรื่องอาการจิติยานี้แล้วเราก็จะต้องเข้าใจสองประการ เป็นประการที่หนึ่งศีลญาภายนอกประการที่สองคือศ e ีิยาภายในแล้วเรื่องอะไรเรื่องขีระขังเร็วนั่ะเดี๋ยวคุยกับนักศึกษาอีกสักนิดหมดแล้วนาเรื่องอธิบายวันนี้ทนี้ก็คุยกันว่าอวันนี้ก็ไปเจิพผลที่บ้านบางสนนก อำเภอสั่นสงฆไปพารามแล้วก็ไปเ yeah. <Yeah. S 1> นี่ิถีปฏิัฒนาเด็กเล็กขณะที่ไปปฏิบัตพัฒนาเด็กเล็กก็มีผู้ที่ติดตามไปด้วยี้5คนก็ลเลยเล่าให้ฟังว่าโอ้ว่าแต่เื่อจะได้เออสมาธิมาสอนคนะนักศึกษาทั้งหลายนี่ หลวงพ่อต้องพุ่งเททุกอย่างแต่ว่านักศึกษาเอากำไรอย่างเดียวหมาถึงแต่จัดเอาไปได้เลยหลวงพ่อไปศึกษากักพระอาจารย์ค ง, งมาเวลาเราต้องคืนจอมนอนที่หลังเวลาจะไปดินสะบาทเราต้องเอาสายของท่านมาสะพายเสร็จแล้วก็ต้องให้ท่าน รับบาดพอเข้าบ้านพอเข้าบ้านเสร็จแล้วได้อาหารมาเสิมบาตหลวงพ่อก็ต้องรับบาดมาใส่บาเราเวลาเสร็จแล้วก็ต้องเอาอาหารออกถวายท่านเสร็จแล้วก็ต้องเอาบาดรไปล้างล้างเสร็จแล้วแทนที่จะได้พักไปตักน้ํามันไม่มีก๊อกงามอย่างนี้ตักน้ำใส่จุ่มแล้วตักน้ําเส่จุ่มเสร็จ ตอนตายก็ต้มน้ําร้อนถวาวาอมันไม่มีไอเสียตักอย่างนี้ <c oughs> พอต้มน้ําร้อนไม่มีอะไรก็เอาใบมะม่วงมาเผาแล้วก็ใส่เข้าไปให้ท่านฉันพอท่านฉันเสร็จแล้วเราก็รีบไปต้มน้ําท่านอาบท่านก็ส่องอาบน้ําร้อนทุกวันอน้ําร้อนก็ส่องไปหาใบนาถ้าหากว่าในวัดไม่มีก็ส่องไปหาในบ้านพอท่านอาบน้ําเสร็จแล้ว เราก็ซักผ้าซักผ้าเสร็จแล้วเตรียมเสร็จแล้วจากนั้นท่านจะเดินเชิงกลมเดินเชิกลมเสร็จแล้วท่านก็ไปนอนเราก็ต้องนวดพอนวดแล้วไม่ใช่เท่านั้นเอนวดเสร็จแล้วติดประตูเรียบร้อยเราก็ออกมาดูความเรียบร้อยเรากลับไปทักท่านกระตุนที่ทีสามเราก็ต้องตื่นทีสอง ทีนี้แค่อะไรเพราะว่าต้องเอาน้าร้อนไปให้ท่านล้างหน้าอผีบันเสร็จแล้วอเมื่อถึงเวลาที่ท้าท่านเพื่อนหรือว่าถึงเวลาซักผ้าอาทิตย์นึงก็ต้องซักผ้าท่านทีนึงซักผ้าหลายทีเข้าตัวมันก็ผีมันก็หายหาผีเหมือนเดี๋ยวนี้ที่เอาก็ไม่ได้ต้องเอาแกนขนุนมาถึงก็เอามาผากผักแกนถนุน หาเส็จแล้วก็ต้ต้กว่าให้แกงขน่จะออกสีสมวันสามคืนเราถึงจะเอาจูออมายอมเป็นอย่างนีุ้่งไปอยู่กับหยองปูมันแล้วเอาไว้เล่กันทีหลังนี่ขนาอยู่กับหยองปูกองมาเนี่ยเล้วกว่าท่านจะบอกว่านี่ให้ดูผู้รู้นะผู้รู้อยู่ที่ไหน อย่างที่เวลาเรานั่งสมาธินี่เราต้องตั้งคําถามมันนี่ก่อนว่าใครเป็นผูู้เราทิ้งคาถามมานั่นแล้วเรานั่งต่อไปจำให้ดีนะออันนี้จะเป็นหลักประกันที่จะทําให้จิตของเรานี่ยถึงจิตพลังอำ น, นาจได้หรือว่ากเก้าสิบเปอร์เซ็นก็แล้วกันที่นั่งอยู่นี่ถึงจะถึงจิตพลังอํา น, นาจได้หรือว่าเราต้อง ถามว่าใครเป็นผู้รู้อันนี้พอเวลาเรานั่งอธิษฐานสมาธิเสร็จแล้วก็ให้ทําอย่างนั้นใครเป็นผู้รู้ไม่รู้ไม่คิดละหลวงพ่อบอกอยงนี้ก็ให้ทํากันแล้วกันแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วเราอย่าไปกังวลแล้วเราก็ว่าผู้โผ่ของเราต่อไปกว่าแต่ที่หลวงพ่อจะรู้จักว่าผู้รู้อยู่ไหนใครเป็นผู้รู้แปดปี พี่หลวงพ่ อ, อสั่งซักผ่าอยู่ว่าจะได้ํำนี้มาเพราะฉะนั้นเพื่มีแแกท่านตั้งหลายแล้วสวัสดีที่ก็ท่านแล้วคือมีกี่นาทีโอ้แค่เดียงสามสินาทีวันนี้จะเลยเอาสักสีอ่อิตามอัตราเพราะว่ายังไงก็จะต้องให้ชนะนักศึกษาได้ถามตอบเยอะ ทีนี้สำหรับปัญหาที่จะให้เขียนตอบนั้น<ม>เรายัางสอนจันสองสามวันปัญหาคนยังไม่มีมากนักแค่ข้อนั้นคุณผู้ชมเสือแตกน่าศึกษาเสือแตกไหม <c ười> ให้พลังมากอลาวันนี้ก็คงบกบาๆอะเดี๋ยวพรุนี้ก็คงจะขยายความสา ม, มากกว่านี้เพราะมีการถามตอบ ตามปกติแต่ว่ามีการจัดระเบียบให้ถามตอบแบบตามที่นักศึกษาได้มาลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เบอร์แรกเบอร์ก่อนถามก่อนบทที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ 5, าไล่ลงไปเพื่อให้นักศึกษาได้ถามโดยทั่วถึงเพราะนักศึกษาทุกท่านจะได้ถามปัญหาผู้ทุกคนว่าเรามีปัญหาอะไรต้องถามกันแต่ว่ามีข้อแม้ว่าให้ถามเพียงข้อเดียว เพื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่คนเดียวถามสิข้อนะยุ่งเลยอเอาการเสียเบอร์หนึน่งเหรอครับผมเลขที่เลขที่ห้าหกหนึ่งคุณกรนกออนบุญเสงขอเชิญอาการที่หลวงพ่อบอกว่าราวังอะห่างพ่อคะราวังกับนิมิตรมิต่างกันยังไงคะราวังคือ เวลาที่ร่างกายนี้ถูกเคลียร์หมดแล้วจะเข้าถาวรเช่นอย่างการนอนหลับเข้าถาวรทีนี้พอเข้าถาวรไปแล้วเรากลับสันคำสันนั่นคือมินิทเวลาที่นั่งสมาธิเขา้าถาวรและเป็นอะไรเขา้าเหล่านั้นคือมิมิตและนิมิตนั้นบางทีเป็นมิมิตที่หลอกลวงได้ มิตรที่จริงว่าก็ไม่ให้ทุ่เผยมากนักครูก็เคยนะ็อัาต่อไปก็ถึงห้าสิบสองคุณสมบูรณยัดปัตตะทงอยากเรียนอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามเวลานั่งสมาธินีมนะคะเอ่อตรงตานะคะมันจะคอายจะพีทำไงที่แบบจะให้มันนิ่ง ท่รู้สึกว่าตาัต้งความุ่งเัจะเป็นอาการเน่ยเป็ น, นิด m m i ่ m e พออันนี้อย่างที่หลวงพ่อ บ, บอกแล้วคืออาการทิริยาในที่สุดจะจดหายไปเอง <c oughs> เราม่น้องอาศัยความพนันน <c oughs> าต่อไปห้าสสามคุณจะมวัน มีกันน oh, ักเถอว่าแม่มามาโอ้ยไกานหลว่อนะคะเวลาทิ Ik ่้งเดินจุดกลมนี่นะคะมันจะมียุงหรือมีอะไรนะจับนี่เรียกว่ามารัจนหรือเปล่าคะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮทาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่บฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ แต่เราจะเรียกว่ามานะนิดหนึ่งถ้าเราทนได้ก็เดินไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามถ้าเมื่อเวลามียินกับก็ตัดหน่อยได้ก็ไม่เว่าผิดต่อไปเลยขอเชิญคุณกันมิตามทีรามาลัย อ่าอ่าเราไปทักอารหลวงพ่ออยากรียนถามหลวงพ่อที่มึี่ว่าถ้าเราเข้าสู่ระวังแล้วไปนิยต์เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่านิยต์จริงแต่นิยต์เทียนเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันไหนนิยต์รงอันไหนนิยต์เทียนถามว่าถ้าเขาวังไปแล้วเราเก็นิยต์นิยตจริงกับนิิต์เทียนมันต่างกันอย่างไรเอ่อ มินิตมินิตจริงนั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นจะอยู่ในลักษณะนินมินิตลอมนั่นมันเกิดขึ้นอยู่ในลักษณะเละเลืนมินิตจึงนั้น้องเอามาวิมิตไถอีกทีหนึ่งเขาจะมีผูวิมิตไถให้เพราะว่าการวิมิตไถว่า ในนิริงในนินนนลองนั้นต้องคนที่มีความทํ า, า, านาญละเขาจะอธิบายให้ได้ต่อไปขอเชิญคุณกลองแก้วแก้วสันใจห้าหกอาธรรมศารหลวงพอ่ง อ, อที่อยากใหทราบว่าเวลาน้่งสมาธิทำไมมันิ้งม่วงว่อยเรจะทำไงจะแก้ตัวนี้ได้ครับ การแจ้ง่วงนั้นจะลีตกตาพอลีงตาจะปิดจะปิดนิดหน่อยว่าจะลับต่ออันนี้วิธีหนึ่งแต่ถ้าหาก็เราอยู่คนเดียวนี่เขาบอกให้ล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วก็มานั่งต่อแต่ว่าการนั่งง่วงนันอ่ะบางทีเราก็ไปทําโดยที่ด่วนเกินไปเช่น พอเราตึงขึ้นมาแล้วไม่ทันไรนั่งเลยมันจะง่วงไปเลยพอตึงขึ้นมากลางคืนแล้วเราก็ติดตัวจะนิดหน่อยขยับให้มันมากๆเสร็จไรจนค่อยนั่ง mm hmm. ก็จะไม่งว่วงในสมัยก่อน mm hmm. ถ้ามากตันลาท่านเคยงว่ว mm hmm. ง, งทำตังห น, น, น mm hmm. อนดูดาวมีวิธีการสำคัญต่อไปก็ ขอเชิญคุณราบทะหมันทม5จุดแล้วเราจกลายมนะ้องหลังค่ว่าเอ่อในเมื่อเป็นผู้ที่นั่งสมาธิในระยะแรกเริ่มเช่นนี้นะคะคือเราไม่อาจที่จะวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทป็นนิดนิดหรือผวงังหรือว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นดังนั้นเอ่อตามที่เข้าใจว่าสิ่งที่ควรจะทําก็คือเราไม่ควรจะไป ยิดติดกับสิ่งไดหรืออารมณ์ใดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรานั่งสมาธิแล้วพยายามรวบรวมจิตใจของเราให้สงบที่สุดอันนคือที่สุดไม่เอาคำเพ้ออะไรสิงนี้ไม่ดีเลยเราแย่ถามว่าการที่มีมินิทุกในมิมิทเราไม่ใส่ใจจะถูกไหม อ่าอันนี้คเพราะว่าในมิตนั้นที่เกิดขึ้นนั้นอ่นนอไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนั่นเหมือนกันกับคนนอนขอนเท่านั้นที่ทจริงแล้วการทำสมาธินี่เกิดไม่หมายดูพลังจิตควรจะเกิดในิตรือไม่เกิดในมิตนั้นไม่มีปัญหาแต่เกิดในมิตนั้นถ้าเราไปจิตถือในมิตนั้น เราว เ, เทาไม่วจเทวดามาจราิงเอะอย่างนี้ก็ดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของมนินิต น, นั้นเราจะให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของขีริยาของผิด น, นิดนะผิดแล้วเกิดผลผ้าบอกมาจะ เ, พพเรียกว่ามนนิสิตอ่าคุณค่ะเอเอ้ <c oughs> เอ ขอโทษครับเพื่อนที่จะตัดสินาสอาว well, ุธถามไม่สนใจเลยไม่อยากไป้สกใจนะการทะเลาะกันหลวงพ่อครับมีข้อสงสัยอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องการเดินตรงโคลมครับคือเท่าที่สังเกตตัวเองว่าภาพนั่งสมาธิเนี่ยจะมีโอกาสที่จิตค่อนข้างสงบ แล้วจะค่อนข้างค่อนข้างข้อสบความสำเร็จคือคือในการนั่งแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นสีแล้วมีพลังมีความสงบแต่ที่เดินจนฟอมนี้ให้ให้กําหนดว่าจุดเนี้ยมาอยู่ที่หน้าผากำหนดยังไงก็อยู่ที่พื้นอะไรเดอเธอจะอยู่แต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะขึ้นมาอยู่ที่หน้าผาก็เลยเลยรู้ว่ามีวิธีใดที่จะทําให้ ที่จะสามารถกําหนดขึ้นมาที่หน้าผากได้ครับเอเรียนถามเขาดูครับอ่าเดี๋ยวไม่จําค็นที่เราจะต้องเอาจิตไปทีหน้าผากเพราะให้การเดินทางนี้ต้องการสมาธิเพิ่เราก็ต้องการสมาธิลึกเพราะฉะนั้ น, นเราจึงมีความเข้าใจว่า เวลาเรานั่งสมาธิผล ม, มันออกมาแตกต่างกันกับการเปดจนิตใจหมายความว่าเรานั่งสมาธิผลจะออกมามากกว่าแต่ยังไงก็ตาม่ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดจตในั้นเป็นสิ่งทีกเรื่นเห็นว่าเพือ การโดยเจยนั้นต้องการให้เกิดสมาธิเพื่อให้เกิดความชำนาญในการที่เราจะเอาไปใช้ในกิจการหน้าที่การงานหน้าที่ธุระพอเวลาไปถึงจุดจบอีกทางนึ่งเราก็มีสติเติกตับพอกลับไปงอีกทางนึ่ก็มีสติเติบตับอีกอย่างที่เขาเรียกว่าสติและ การสั้งการขอการโดยจงตัวทำตั้งการให้เกิดความให้ทำ ง, งานในความมิถุนและเวลาที่เราไปทำอาธุรักจิตมาที่เราจะเกิดชาติพาดในเมื่อเราไปทำอาชรักจิตเพราะขาดสติแต่ถ้าเราโดยจงตั เ, เยอะๆเราจะทำให้เราเกิดสมาธิชนิ เรียกว่าสมาธิที่ที่จะนำไปใช้งานได้อธิบายได้แค่นี้ก่อนอ๋อสีสวันเนี่ยเยกะจริงอ๋อเทิ่ห้าร้อเก้ากองกันสีตะลมนี้หอจค่ะเออลิสิต จ, จะถามยินถามนะคะว่าอย่างเวลาอยู่ที่บ้านนะคะทา เดินจงกรม น, นะคะแล้วก็ ท, ทําการบ้านเดินจงกรมนะคะและทนี้ก็เดินเดินไปก็ตาก็ปเป็ น, นะะเหลือเพนวะไอ้นุ่นยังไม่เดียวร้อนี้ไม่เดียวร้อนเดินแล้วก็หยุดไปทางหยุดไปหยิบไปโนะะ่นวะจะจะเป็นบาปไหมคะเออทำย่างนั้นไม่ใช่เดินจงกรมเลยอ มันมันเรื่อใจก็ไม่ยากครับนั่นเรื่ามันไม่ป็นบาจ้ะเรื่องก็ไม่น่าจะทำนะหรือว่าเดนแล้วก็อย่างนั้นเออหรือว่ามันผิดพลาดไปห่อ ถ้าเช่นั้นเวลาเรื่องเงินก็อยาไปทำอะไรนอกจากถ้าหากว่าเราจะทำก็จิตจเราต้องเชื่อเราต้องาำต่อแล้วก็มาขึ้นต้นใหม่ใช่ไหมค่าร้างต้นใหม่คนนจ้เห็นว่าเทวดใจเอื้ออาทรเราจะเจริญกายเราจะเจริญใจ เอาละทีงคสุดท้ายนาะไรคนที่สด500คุณจัญาอยาาาากเป็นพนกานหลวงพ่อะเวันนี้อสงัาไหนที่ช่วยทุกคนก็ถามให้แล้วก็พ่อไม่ได้ตอย่าง่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าามี้ เดีว่วอาจารย์หาปัญหาเนี่ยเพราะว่าต่อไปเราจะเป็นคุณดาอาจารย์แล้ว้อเป็นเลกเธอร์เพราะฉะนั้นแค่ต้องนไว้ก่อนอวันนี้จะเพียงยืดหยุ่นแค่นี้ในสารคัลุกขึ้น